แล้วความรู้สึกของจิตเนี่ยมันเริ่มกระจายความความเฉื่อยเริ่มกระจายแล้วจตมันเืดหึงเนืด้ใช้เวลาดูมันนานน่าจะสัก10นาทีได้กว่าจะหายไปคือแต่ละคนน่จะเก็บสะสมกิเลสเอาไว้อนุสัยเราจะสะสมเอาไว้นะพอเราไปดูบางคนไปคุยเหมือนข้า คนเจตนาไปคุยคุยเหมือนนะมันก็ขึ้นมาขึ้นมาแนละ้วมันค่อยๆสลายตัวไปนะให้รู้ไปเรื่อยๆมันเป็นผลของอดีตนะรู้ไปเรื่อยมันจะค่อยสลายตัวไปแต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะต้องดูลงเป็นไตรลักษณ์ให้ได้อย่าให้มันครอบงำใจกิเลสอื่นๆก็ซ่อนไว้ อ, อย่างเนี้ ก็ถูกแล้วนะอย่งจิตมันจะเป็นอกุศลจิตมันสัมผัสกระทบกับความคิดเป็นอกุศลขึ้นมาจิตจะปรุงกุศลหรืออกุศลเราก็เลือกไม่ได้นี่พอจิตเป็นอกุศลต่อมาสติรู้ทันมีจิตอีกดวงหนึ่งที่มีสติมีปัญญาไปรู้ว่าจิตก่อนหน้านี้เป็นอกุศลหรือจิตการดูจิตจะต้องตามรู้อย่างนี้ตลอดเลย เป็นการตามรู้มันจะรู้ว่าจิตก่อนหน้านี้เป็นยังไงจิตก่อนหน้านี้เป็นยังไงงั้นะก็ถูกแล้ ว, ลว เ, เ, เ, วเคืออย่าไปเกลียดมันนะให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงถ้ามันไม่ใช่กิเลสใหม่เนี้ยเป็นของที่เราสะสมเอาไว้นะถ้าเป็นกิเลสที่เรากําลังปรุงขึ้นเป็นปัจจุบันปรุงขึ้นมาเนี้ย พสติเกิดมันจะดับทันทีเลยไอ้นี่เป็นของเก่าพวก อ, อ, อนุสัยมันจะค่อยๆสลายไปเ น, น้นเวลาที่เรามีสติเนี่ยอกูสนไม่มีตัวกิเลสหยาบๆไม่มีะจะอนุสัยจะค่อยๆสลาย คือเวทนาทางไหนทางกายหรือทางใจทางกายเนี่ยยังไงมันก็มีแต่ว่าเมื่อจิตไปรู้เวทนาแล้วเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันจะเจ็บอยู่ที่กายเท่านะไม่เข้าถึงใจนะใจจะเป็นกลางเพราะนความเจ็บที่จะดิ้นทุรนทุรายก็ไม่เป็นส่วนะนมากพอเราเจ็บทางกายเราก็เติมความเจ็บทางใจลงไปด้วย นี่บางครั้งถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันถอยออกมามันไม่ไปรับรู้มันก็ไม่เจ็บนะแต่เป็นเรื่องของสมถะนะแต่ถ้าเราเดินวิปัสสนาอยู่เราจะเห็นเลยกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะไม่สัมไม่เกี่ยวข้องกั น, น, เ, อกนเออนะอย่างนั้นรู้เรื่อยเรื่อยไปรูปนามนะจิตเจตสิกอะไรพวกนี้มันจะกระจายตัวออกนะแ ต, แต่ละตัวแต่ละตัวก็จะแสดงธรรมะ แดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือพวกเราจะฟังธรรมะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านธรรมะของจริงเรามีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่ยอมฟังธรรมะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดก็คือรูปธรรมอกกันหนึ่งนามาทำอีกอันหนึ่ง รูปธรรมก็คือกายนี้นามรารมก็คือส่วนของความรู้สึกนึกคิดจิตใจทั้งหลายเราอย่าไปว่าดภาพธรรมะว่าคืออะไรอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไกลๆจะต้องทำอะไรอีกเยอะแยะเพื่อจะไปรู้ไปเห็นธรรมะฉะนั้นเข้าใจธรรมะผิดแคๆเราเดินชนธรรมะทุกวันแต่เราไม่รู้จักมันเราไม่รู้จักมันเดินชนกันก็ไม่เห็นไม่เข้าใจ ธรรมะจริงๆก็คือกายกระใจของเราเนี่ยคอยมีสติรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกระใจเขาจะแสดงธรรมะให้เราดูวิปัสสนาจริงๆก็คือให้คอยรู้กายคอยรู้ใจกายกระใจเราจะแสดงธรรมะของจริงให้ดูเช่นเรามีสติรู้อยู่ที่กายคนทั่วๆไปก็บอกว่ารู้กายไม่ค่อยรู้จริงหรอกถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายอย่างเรานั่งอยู่เนี่ย รู้สึกไหมที่นั่งอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแต่ส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าเรากำลังนั่งอยู่นี่ไม่ใช่รู้กายนี่หลงกายแล้วถ้าเรารู้กายนะใจเราสบายสบายใจเราเป็นคนรู้เป็นคนดูนเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นมันคู้มันเหยียดเห็นมันเหลวซ้ายแหลกขวาถ้าเราคอยรู้อยู่ที่กายกายก็จะแสดงธรรมะให้ดูแสดงอะไรบ้างแสดงความไม่เที่ยง อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ได้ไม่นานนะก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมว่ากายแสดงความไม่เที่ยงนะแสดงความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายแสดงการหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจไม่ได้นะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะเดี๋ยวก็ทานอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกดื่มน้ำไปแล้วก็ขับถ่ายออกนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก ถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายกายก็แสดงธรรมะให้ดูแสดงธรรมะให้เห็นว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาทนอยู่ในสภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้เขาถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นนิดเขาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จิตใจเรามาอาศัยอยู่เป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้ไปดูไปเห็น เ, เท่านั้นเองแท้จริงเขาเป็นวัตถุเป็นธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรหรอก ถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายตามรู้กายเนืองๆก็จะเห็นความจริงของกายกายแสดงธรรมะให้ดูนะธรรมะที่กายแสดงให้ดูก็คือใจรักแล้วเี่แสดงว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์นะเขาไม่ใช่ตัวสุขเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นของบังคับไม่ไดนะ้ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเรามาคอยรู้จิตใจสังเกตอยู่ที่ใจใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลย เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดีย๋ยวตอนตื่นนอนใหม่ๆกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันตอนขับรถนั่งรถมาวัดกับขณะนี้ก็ไม่เหมือนกันตอนมาถึงวัดใหม่ๆความรู้สึกก็ก็ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ตอนนี้ตอนไปทานข้าวตะกี้กับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันอนีกมีแต่เรื่องไม่เหมือนกันเี่ยถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่จิตใจของเราเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย ไม่เที่ยงอย่างความโกรธเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปมันไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวมันไม่เที่ยงความทุกข์เกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวมันไม่เที่ยงเห็นไหมถ้าเราคอยรู้ใจของเราใจก็แสดงธรรมะคือแสดงไตรลักษณ์นั่นเองแสดงความทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดนหนึ่งแสดงการบังคับไม่ได้เช่นจิตจะเป็นกุศลหรือจิตจะเป็นอกุศลเนี่ยเลือกไม่ได้ เลือกไม่ได้นะไม่มีใครสั่งได้นะเพราะจิตเป็นอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับหน้าที่ของเราก็ตามรู้ไปกายก็จะแสดงไตรลักษณ์คือแสดงธรรมะให้เราฟังจิตใจก็แสดงไตรลักษณ์นะแสดงธรรมะให้เราฟังพอเราตามรู้กายตามรู้ใจธรรมะของจริงก็เกิดขึ้นในใจเราคือเราเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเอง ศา ส, สนาพุทธเนื้อแท้ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิ ท, ทานั้นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นเลยนั้นเราคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจจะแสดงธรรมะให้ดูธรรมะที่กายกับใจแสดงให้ดูนี่แหละเรียกว่าธรรมะของจริงส่วนธรรมะที่ฟังอาตมาพูดเนี่ยธรรมะของปลอมไม่ใช่ของจริงมันจริงของอาตมาแต่ไม่จริงของโยมพอโยมฟังแล้วมันกลายเป็นความจำไปหมดมันไม่ใช่ความจริง ฟังแล้วก็จําไว้ฟังแล้วก็จําไว้นะหรือฟังที่วัดนี้อย่างนี้ไปฟังอีกวัดหนึ่งอาจารย์หนึ่งว่าอีกอย่างฟังแล้วก็ศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยเรื่ยิ่งฟังยิ่งงงไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดอีกแท้จริงแล้วกระทั่งพระพุทธเจ้าก็บอกให้เรารู้ทำเห็นรำไม่ได้ท่านบอกวิธีการให้เท่านั้นเหมือนเนื่องหลวงพ่อนะก็มาบอกวิธีการให้พวกเราวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือให้คอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเอง กายกับใจก็จะแสดงธรรมะของจริงให้ดูนี่พวกเราไม่ยอมรับธรรมะของจริงเราชอบธรรมะของปลอมมาวัดอยากจะหาความสุขมาทาบุญมาฟังเทศแล้วหวังว่าขอให้มีความสุขนิรันดร์ใจเราไม่ยอมรับความจริงความจริงคือไม่มีอะไรเที่ยงหรอกสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งกายทั้งใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีนี่เราปฏิเสธธรรมะ ธรรมะก็เลยไม่เข้าสู่ใจของเราเงั้นคอยรู้สึกตัวขึ้นมาคอยรู้กายร่างกายอยู่ในอาการยังไงคอยรู้ไปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้จิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยตามรู้ตามดูไปดูซีเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้เนี่ยคอยรู้อย่างนี้ ในที่สุดใจเราก็ยอมรับยอมจำนวนกับธรรมะอย่างเราจะไม่ยอมรับนะว่ากายของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวดีเราคิดว่ามันเป็นตัวดีเราคิดว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยร่างกายของเราเรารักเราหวงแหนแต่พอเรามีสติรู้อยู่ที่กายกายไม่ใช่ตัวดีแล้วกายไม่ใช่ตัวเรากายเป็นตัวทุกข์กายเป็นวัตถุกายเป็นต้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจมันยอมรับธรรมะ ใจไม่เห็นธรรมะเห็นซ้ำซ้ำซ้ำในที่สุดใจก็ยอมรับธรรมะของจริงก็คือรูปนามกายใจนี้เป็นไตร ล, ลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นอย่างนี้จิตใจจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเมื่อจิตใจปล่อยวางความยึดถือในกายในใจความทุกข์มันจะไม่มีหรอกอความทุกขมันก็มีสองอัญเท่านั้นเองไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจนี่พอกายมันไม่ทุกข์ใจมันไม่ทุกข์แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะทุกข์อีก งั้นคอยรู้สึกไปนะนี่พวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่แทนที่จะมาเจริญปัญญาตามรู้กายตามรู้ใจอย่างที่มันเป็นพวกเราส่วนใหญ่จะชอบนั่งเพ่งนั่งเพ่งนั่งกาหนดนั่งบังคับนั่งควบคุมนั่งแก้ไขนะจิตมีความโกรธก็จะห้ามไม่ให้มันโกรธหรือพอมันโกรธแล้วก็จะสั่งให้มันเลิกโกรธมันสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้มันเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตางั้น ใ, นใจเราจะยอมรับความจริงไม่ค่อยได้ชอบปฏิเสธ อย่างกายนี้มีความแปรรวนตลอดเวลาแล้วอยากให้มันสุขตลอดเวลาะบุษามาทําบุญทําทานหวังจะหายเจ็บหายไข้อะไรอย่างนี้อย่างนี้พอรู้เรื่องไหมใครมาใหม่ๆหมให้คอยรู้ไปนะคอยรู้อยู่ที่กายก็ยรู้อยู่ที่ใจไม่ใช่นั่งเพ่งนะของคุณยังชอบเพ่งอยู่ระวังนิดนึงดูออกไห ม, ไมจ้องใส่มันไม่จ้องคอยรู้สึกไว้ ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงคอยรู้สึกไปไม่เข้าไปแทรกแซงนะงั้นหลักของวิปัสสนาจริงๆเนี่ยต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเรียกว่ามีอารมณ์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องส่วนใหญ่พวกเราจะมีอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องเราชอบไปเพ่งเพงเอาไปคิดคิดเอาอะไรเนี่ยความคิดไม่ใช่อารมณ์ของจริงเป็นอารมณ์บัญญัต กายกระใจนี่เป็นของจริงให้คอยดูวันๆ น, นึ่งเราหนีไปอยู่กับความคิดเดยอะมากเราใช้เวลาอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยนับไม่ท่วนเลยะฝันลมลมแรงๆคิดไปเรื่อยๆเวลานาทีที่จะรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตัวเองนี่มีน้อยอย่างยิ่งน้อยเหลือเกินมีแต่ใจลอยทั้งวันเมือทั้งวันคิดทั้งวันนะไม่ใจลอยไปไม่เหม่อไปไม่คิดไปก็นั่งเท่งน้อย นี่มีแต่หลงสุดโต่งอยู่สองข้างไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้เราไม่สามารถจะรู้กายไม่สามารถจะรู้ใจอย่างที่มันเป็นเวลาให้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปนี่วิธีวิธีรู้กายรู้ใจเราต้องทาให้ถูกต้องถูกวิธีประเด็นแรกที่อาตมาพูดให้ฟังก็คืออยากรู้ธรรมะนะต้องรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปไม่ใช่ไปเรียนที่อื่นประเด็นที่สองก็คือ การรู้กายรู้ใจต้องรู้อย่างถูกวิธีถูกวิธีต้องถูกตั้งแต่ก่อนจะรู้นะระหว่างรู้ก็ต้องถูกรู้แล้วก็ต้องถูกอีกก่อนจะรู้กายก่อนจะรู้ใจเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องระวังก็คืออย่าให้ความอยากมันครอบงำพวกเราเวลาคิดจะรู้กายคิดจะรู้ใจยมันจะอยากรู้ก่อนพออยากรู้ก็จะเริ่มนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งคอยดูไว้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง ก่อนจะรู้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรอย่าอยากรู้อย่าดักเอาไว้ก่อนอย่างบางคนจะดูจิตแทนที่จะรอให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็รู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นแทนที่จะตามรู้ก็ไปดักเอาไว้ก่อนคอยจ้องคอคิดถึงการปฏิบัติแล้วก็จ้องเลยว่าเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถูกนะงั้นก่อนจะรู้ไม่ใช่ไปดักไว้ก่อน นี่พวกเราลองสังเกตดูเวลาเราปฏิบัติพอเราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็จะเริ่มทำอะไรบางอย่างส่วนใจก็คือนั่งจ้องนี่ระหว่างรูนะ้ระหว่างรู้เนี่ยก็มีหลักอีกระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้ให้ดูอยู่ห่างๆนะอย่าดูแบบคนมีส่วนได้เสียพวกเราเวลารู้อะไรนะมักจะกระโจนลงไปรูนะ้มันไม่สักว่ารู้ไม่สักไม่เห็นแต่กระโดดเข้าไปรู้ มีฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะมีหนังสือให้อ่านมีเทปให้ให้ฟังเราะงั้นก่อนจะรู้อย่าอยากรู้เพราะอยากรู้แล้วจะไปดักจ้องไว้ซึ่งไม่ถูกหลักของวิปัสสนาเนี่ยท่านให้ให้รู้กายลงปัจจุบันนะจริงแต่ไม่ได้ให้เพ่งไว้ไม่ได้จ้องส่วนใจจะต้องตามรู้ระหว่างรู้ก็ต้องระมัดระวังอย่าถล่มอย่ากระโจนเข้าไปรู้ส่วนใหญ่เวลารู้อะไรนะจะกระโดดเข้าไปใส่มัน อย่างตาเรามองเห็นเห็นคนเดินมาใจเราก็กระโดดไปอยู่กับเขาแล้วเวลาฟังเขาพูดข้างบ้านเขาคุยกันโลนใจกระโดดไปข้างบ้านอยู่คนเดียวู็คิดไปใจกระโดดเข้าไปในความคิดเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยพอมารู้กายรู้ใจนะมักจะถล่มลงไปเพ่งกายเพ่งใจนะให้เราจะต้องรู้กายรู้ใจเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนสลิมอยู่บนฝั่งริมแม่น้ําริมคลองนะแล้วก็ดูมีอะไรลอยมาในาน้ำํำเราก็คอยดูไป แต่ตัวเราอยู่บนบกไม่กระโดดลงน้ำํำนี่ผู้ปฏิบัติจํานวนมากเลยพอเห็นอะไรขึ้นมาในกายในใจแล้วชอบกระโดดลงไปถล่าลงไปเพ่งลงไปใส่มันสภาวะตรงนี้จะเข้าใจยากนิดนึงนะทนทนฟังไปฟังไม่รู้เรื่องอย่างกลุ้มใจถ้ากลุ้มใจให้รู้ว่ากลุ้มใจไปเลยงงให้รู้ว่างงไปเลยการปฏิบัติไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องเลยงงเรารู้ว่างงเข้าไปเลยเราจะเรียนให้เห็นสภาวะก่อนจะรู้ อย่าอยากรู้เพราะอยากรู้แล้วจะไปจ้องไม่กอนระหว่างรู้ให้สักว่ารู้อย่าถล่าลงไปรูนะ้เมื่อรู้เสร็จแล้วไม่ทาอะไรต่อเลยรู้แล้วจบลงแค่การรู้นั้นนะส่วนใหญ่ของเราพอไปรู้เข้าแล้วเราไม่ไม่จบแค่แค่รู้เราจะทำต่อนะอย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ว่าโกรธความจริงแค่รู้ว่าโกรธนี่นะปฏิบัติเสร็จแล้วนะนี่พอเราพอเห็นว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นจะให้หายโกรธ พยายามทำให้หายโกรธนี่เรียกว่าหลงทำต่อแล้วนะหรือใจเราเผลอไปใจเราหนีไปเที่ยวพอเรารู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วจิตเผลอไปแล้วแค่นี้รู้เรียบร้อยแล้วนะส่วนมากพอเรารู้ว่าเผลอปุ๊บเราจะเริ่มทำอะไรต่อไปอีกนะเริ่มเพ่งไหมเริ่มบังคับไวนะ้ไม่ก็เผลอครั้งใหม่คร่ำครวนว่าโอ้เมื่อกี้เผลอไปตั้งนานเนะี่ยแย่แล้วเราอะไรนีน่นี่ก็เผลอครั้งใหม่อีกแล เพรันเมื่อรู้แล้วก็ให้จบลงแค่การรู้อย่าไปเติมแต่งอะไรเข้าไปอีกนะยากไหมยากไหมอึดอึดไว้นนะสมาไม่เรียกร้องอย่างอื่นเลยนะมาฟังอ่ะสมาพูดเนี่ยนะไม่ไม่คิดค่าฟังด้วยนะไม่คิดค่าเรียนนะหนังสือก็แจกให้ฟรีนะอะไม่เรียกร้องอะไรนะเรียกร้องอันเดียวว่าอึดอึดนะธรรมะจริงๆแล้วเข้าใจยากที่เข้าใจยากเพราะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟัง อะไรที่มันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็ยากทั้งนั้นแหละทนทนเข้าไว้เอาซีดีไปฟังช่วยตัวเองด้วยฟังแล้วฟังอีกะฟังส่วนใหญ่ทั้ทงมันตื่นขึ้นมาะคุณเสื้อแดงนี่เคยฟังไหมเนี่ยทําไมตื่นเร็วตื่นได้เร็วดีนะเคยมาไหมแค่นี้ก็ดีแล้วนะตื่นให้เนืองๆ น, นะตื่นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเราตื่นชั่วแวบเดียวเราก็หลับครั้งใหม่ดูออกอยังตื่นแวบ ไหลไปอีกแล้วแวบไหลไปอีกแล้วห้ามไม่ได้ไม่เรียนเพื่อจะห้ามนะแต่เรียนเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอตอนนี้รู้สึกะตรงที่เผลอก็ห้ามไม่ได้ตรงที่จะรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยก็เจตนาไม่ได้เมื่อ <c oughs> มันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้อีกดูออกไหมว่ารักษาไม่ได้พอรู้สึกตัวแวบไปอีกแล้วดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับรักษาไม่ได้ไม่ได้เรียนเพื่อจะรักษานะ แต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงเลยว่าจิตทีเ่เผลอไปเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเป็นกุศลก็จริงอ่ะแต่สั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้หยุดตลอดไปก็ไม่ได้เนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาเห็นซ้ซำซ้ำซ้ำอย่างนี้ในที่สุดจะรู้ว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขารู้อยู่แค่เนี้พอแล้วน ะ, นะคุณอย่าไปทําอะไรพี่ลึกๆีลึกขึ้นมานะ ปฏิบัติชอบไปทำอะไรที่เกินธรรมดาจิตสงสัยทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยเข้าไปตรงๆรู้ทันมันเข้าไปตรงๆแต่ไม่เพ่งไว้ไม่จ้องไว้ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้แต่ว่ารู้ให้มันไวๆหน่อยไม่ใช่โกรธเมื่อวานมันนี้รู้นี่ช้าไปเผลอเผลอปุ๊บรู้ว่เผลออย่างนี้ใช้ได้พวกเราจะหัดดูจิตต้องตามรู้นะอย่าไปดักไว้ก่อน ตามรู้เนี่ง่ายเช่นหนุมๆเงี้ยสาวๆเขาชมว่าหลอมันดีใจดีใจนะเราก็ค่อยรู้ว่าดีใจความดีใจเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่าจิตมันดีใจรู้ทีหลังแต่ไม่ใช่ดีใจเมื่อวานวันนี้รู้นะอย่างนี้ช้าไปต้องรู้แบบมันดีใจแล้วก็อ้อมันกําลังดีใจอยู่มันเผลอไปรู้อ้อมันเผลอไปแล้วนะมันโกรธอยู่รู้ว่าอ้อมันโกรธละทําแค่นี้แหละทําแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรมาก ผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติก็ต่างกันนิดเดียวคนที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาเผลอทั้งวันส่วนของเราจะเผลอสั้นๆเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วก็รู้คนปฏิบัติเนี่ยจะค่อยรู้กายรู้ใจตัวเองคนที่เขาไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาจะไปรู้อย่างอื่นเขาไม่ละเขาละเลยเขาไม่ยอมรู้กายรู้ใจตัวเองชอบไปรู้อย่างอื่นความแตกต่างมีนิดเดียวนะยกตัวอย่างอย่าง คนทั่วๆไปอย่างหนุหนมๆมองเห็นสาวเดินมาเนี่ยคนทั่วๆไปก็ใจมันชอบสาวพอใจมันชอบสาวเนี่ยก็มองแต่สาวลืมตัวเองแต่ผู้ปฏิบัตินเนี่ยพอตามองเห็นสาวสาวสวยใจมันมีราคาม่ชอบน้ํารักเขารู้ว่าใจมีราคะน่ต่างกับคนทั่วๆไปนิดเดียวเองคนทั่วๆไปมูจะมองออกนอกไปผู้ปฏิบัตินเนี่ยพอตามองเห็นสาวจิตมันชอบรู้ทันว่าจิตมันชอบ ไม่ใช่รู้แค่สาวได้ยินเข้าชมคนทั่วๆไปก็รู้ว่าเข้าชมส่วนนักปฏิบัติพอได้ยินคําชมแล้วมันดีใจรู้ว่าดีใจรู้ทันใจของตัวเองนันต่างกับเขานิดเดียวเองคือไม่ว่าจะกระทบอารมณ์ทางไหนเนี่ยคนทั่วๆไปกระทบอารมณ์แล้วมันหลงตามอารมณ์ไปหมดผู้ปฏิบัตินกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาอะไรแนละ้วก็รู้ทันจิตใจของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้สาวนะ สาวก็ยังสวยอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันจะเห็นเลยราคาเกิดขึ้นที่จิตเนยราคาไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปราคาไม่ใช่ตัวเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ไดนะ้เมื่อหลายเดือนก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาฟังอาตมาพูดนะบอกเขาเข้าใจแล้การปฏิบัติง่ายมากถ้าผมออกจากสารานี้ไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมนะถูกไหมอย่างนี้ไม่ถูก ดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมคนไม่ปฏิบัติเาก็รู้ของเรานักปฏิบัติได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบได้กลิ่นดอกไม้หอมแล้วใจมันสงสัยว่าดอกอะไรนะรู้ว่าใจมันสงสัยเนี่ยความต่างมันอยู่นิดเดียวกับระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติผู้ผู้ไม่ปฏิบัติมีแต่หลงออกไปข้างนอกเอะดอกอะไรนะหอมจังอ้อดอกกุหลาบเนี่ยอะไรงี้ชอบไปโน่นเลย จนพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเมื่อกระทบอารมณ์ทางตาแล้วเราก็รู้ทันใจกระทบอารมณ์ทางหูแล้วเราก็รู้ทันใจใจกระทบความคิดนึกทั้งหลายเราก็รู้ทันใจของเราอีกนะเช่นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงศัตรูเก่าเ mm hmm. มื่อสิบปีก่อนความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันว่าใจมันโกรธส่วนคนไม่ได้ปฏิบัติมันคิดถึงไอ้คนที่โกรธมันก็คิดถึงใจไอ้คนที่โกรธไม่รู้ทันว่าใจมันโกรธ อย่างนี้พอรู้เรื่องไหมพูดเวอร์ชั่นง่ายๆนะถ้ายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใครฟังธรรมารไม่รู้เรื่องสงสัยรู้ว่าสงสัยนะฟังนกร้องก็ได้สมมติว่าเราฟังนกร้องนะนกมันร้องเราอใจเราชอบรู้ว่าใจเราชอบนะไม่ใช่รู้ว่านกอะไรนะไม่ใช่เอ๊่นี่มันนกอะไรร้องนะอย่างนั้นมันชาวโลกเขารู้สึกกันอี่ยสว่าเราจะนอน หมาข้างบ้านมันเห่าหนวกหูใจเราลาคาญรู้ว่าใจลาคาญไม่ใช่รู้ว่าหมาเห่านะงั้นมันผิดกันนิดเดียวระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติเอาใครง่วงบ้างยกมือให้ดูหน่อยไข่ง่วง <c oughs> เป็นธรรมดานะกินเจ้าแล้วก็ง่วงครับ <c oughs> แถมยังต้องตื่นในเช้ามาวัดนะสังเกตไหมตอนนี้ใจไม่ง่วงเท่าแต่กี้รู้สึกไหม เนี่ยคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงเห่หหูกระทบเสียงหลวงพ่อชวนคุยก็แม้หายง่วงเลยพอฟังธรร ม, มาแล้วง่วงพอหลวงพ่อชวนคุยเรื่องอื่นนะยกมือเสี้ยงงั้นสิหายง่วงที่จริงให้เราเวลาเราปฏิบัติก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการกระทบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเข้ามาใจเราก็จะเปลี่ยนแปลง ให้คอยรู้ใจที่เปลี่ยนแปลงไปตาเห็นสาวใจเกิดราคะนี่ตาเห็นศัตรูใจเกิดโทสะะตามองเห็นมาบ้าวิ่งมาใจมักลัวให้คอยรู้ไปไม่ได้มีอะไรยากเลยเหมือนธรรมะอยู่ที่กายกับใจเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไว้นะวิธีรู้ใจก็อย่างที่บอกอะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วก็คอยรู้ใจที่เปลี่ยนแปลงไป ใครอยากจะรู้กายกนะ็ว่าม า, านี่สอนพวกรู้ใจก่อนนะส่วนใหญ่พวกปัญญชนเหมาะกับการดูจิตตัวเองเพราะการดูจิตเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากนะการรู้กายนะเหมาะกับพวกตันหาจริตพวกโลภมากพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ให้คอยรู้กายไว้นะพวกรักสงบชอบเข้าฌานอะไรเงี้ยให้คอยรู้กายไว้ อย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านทําสมาธิก่อนแล้วก็มารู้กายเนี่แม้ถูกก็พี่ทําเทียบเลบที่ทําสอนอย่างเงี้ยอย่ารู้กายทําสมาธิก่อ น, นการรู้กายเหมาะกับพวกตันหาจริตพวกโลภมากรักสุกรักสบายรักสวยรักงามพวกไม่ชอบคิดเยอะเดี๋ยวเพราะพวกชอบคิตมากๆแล้วก็ให้คอยดูจิตใจตัวเองไว้ฉนั้นเราสังเกตตัวเองเราเป็นพวก ลบมากหรือพวกคิดมากแต่ละคนจะเป็นส่วนผสมนะมีทั้งสองอย่างแต่อันไหนเด่นเราคอยรู้อย่างถ้าเราเป็นพวกคิดมากชอบวิพากษ์ชอบวิจารณ์ชอบวิเคราะห์นะชอบตัดสินคนน้นคนนี้เขาเจ้ารักที่เจ้าอุดมการเจ้าความเห็นเนี่ยพวกนี้ให้คอยดูใจของตัวเองไปเรื่อยๆเหมาะกับจริตคนไหนชอบสงบมันวันไม่อยากยุ่งกับใครเลยพวกนี้ให้คอยรู้ร่างกายไว้ งั้นก็คอยมีสติรู้อยู่ที่กายมีสติรู้อยู่ที่ใจใกายกับใจก็จะแสดงธรรมะให้ฟังนะจบแค่นี้แหละใครจะถามอะไรเชิญพวกเก่าๆยังไม่ต้องถามนะพวกใหม่ๆเห็นใจคนมาใหม่บ้างพวกนี้รู้แล้วยังจะเที่ยวถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันเป็นกายเราอยู่เพราะว่าคิดไม่เลิกนะถ้าเมื่อไร่เรารู้สึกตัวเราหลุดออกจากโลกของความคิดปับนะ๊บเนี่ยกายเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเราฉับฟันเลยนะของคุณยังมีปัญหานี่คุณยังเพ่งอยู่คุณยังคอยประคองไว้กําหนดไว้บังคับไว้นะมันยังไม่ใช่การรู้ที่สบายๆรู้สึกไหมว่าใจเรามันยังตึงๆแข็งๆนะแม้มันไม่ใช่การรู้ที่แท้จริง ถ้าสติตัวจริงเกิดนะจิตเป็นกุศลฉับพลันจิตจะเบาเลยจิตจะอ่อนโยนนุ um ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตของคุณหนกักหนักรู้สึกไหมยังหนักยังแนะ่นยังแข็งนะยังทื่อๆนะเมื่อเรายัางบังคับอยู่แล้วก็คอยรู้ทันไปเรื่อยๆทำสบายๆต้องทําสบายๆนะนะการปฏิบัตริรู้ไปอย่างสบายๆนะเอออย่างนี้ค่อยสบายกว่าตะกี้หน่อย ดูออกไหมไม่เหมือนกันนะรู้อย่างสบายนะไม่ใช่รู้อย่างลำบากพี่ตุมบ้างไงพี่ตุม๋มแล้วเฟลตเป็นเงบ้าง <c oughs> ดีแล้วล่ะนะดีแล้วรู้สึกเลยเลยดีแล้วรู้สึกได้ดี <c oughs> อันนั้นเป็นอุบายนะเป็นอุบายขั้นต้น แต่ละสำนักก็จะมีอุบายของตนเองโดยหวังว่าถ้าทําตามอุบายนะั้นแล้ววันหนึ่งจะตื่นขึ้นมาจะรู้สึกตัวอย่าตามาเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อเทียนไม่เคยคุยกับท่านเคยเข้าไปพัสสนามในท่านสอนขยับอยู่มีฆราวาสญาติโยมนั่งเยอะเยอะกว่านี้อีกสลาท่านยาวๆท่านขยับไปท่านรู้สึกตัวพวกเราขยับเนี่ยถ้าไม่ไปคิดเรื่องมือก็ไปเพ่งมือ ไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วขยับนะกลายเป็นว่า<ม>ท่านี้บางคนก็คิดเย่างนี้ท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้เดี๋ยวจะต้องมาท่านี้เงยนี่คิดเอาอีกพวกหนึ่งเพ่งเอาะจิตไปเกาะ อ, อยู่ที่มือเลยเพ่ง<ม>นะจะมาทําตาให้ดูนะสมมติว่าตาสมาคือจิตเนี่ยจิตมันจะมาอยู่ที่มือเนี่ยมันจะมาคอยมองตามมือไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวทําไงก็ไม่รู้สึก แท้จริงแล้วความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยนะเกิดจากการที่จิตมันจําสภาวะธรรมได้สติไม่ได้เกิดจากสั่งให้มันเกิดเพราะฉะนั้นสติเป็นความระลึกได้ว่าสภาวะธรรมใดกาลังปรากฏอยู่มันจะระลึกได้ถ้ามันเคยรู้จักสภาวะธรรมันนั้นเช่นมันรู้ว่าเผลอเป็นยังไงพอมันเผลอไปมันจะมีสติขึ้นมาอ้ า, าวเผลอไปละ ถ้ามันเคยรู้ว่าโกรธเป็นยังไงนะพอมันโกรธขึ้นมามันจะรู้ว่าอ้าวโกรธขึ้นมาละเพราะงั้นสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตมันจําสภาวะธรรมได้ส่วนในพวกวิธีรูปแบบนี้เป็นเป็นแท็ติกเป็นกลวิธนะีที่ครูบาอาจารย์พยายามพัฒนาขึ้นมาแต่ละสำนักจะต่างกันแต่แท้จริงแล้วก็คืออย่างส่วนเราหากักอย่างหลวงพ่อเทียนเราขยับเนี่ยหลวงพ่อเทียนขยับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใจลอยไป แต่ไม่ได้บอกให้เพ่งเอาไว้พวกเราขยับกลับไปเพ่งเอานี่เราขยับไปนะขยับเพื่อจะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นร่างกายเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะนี้ต่อมาพอเราเผลอเผลอเราเห็นเพื่อนเราเดินมาคนเราฝั่งถนนเราจะก้าวเท้าไปทักทายเขาเพราะเราขยับตัวปั๊บเนี่ยนะสติมันจะเกิดขึ้นเอง เพราะว่าเราเคยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวเราซ้อมมาเยอะแล้วเคลื่อนไหวไปรู้สึกตัวไปเพราะฉะนั้นพอเราเผลอพอเราขยับเกิดการไหวตัวนั้นสติจะเกิดขึ้นเองเพราะงั้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ตัวช่วยนะไปนั่งเพ่งอย่างเคร่งเครียดนี่ยยิ่งเป็นศัตรูของการรู้สึกตัวซิแต่ถ้าหัดเคลื่อนไหวไปเพื่อทําตัวเองให้ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเทียนท่านใช้คำว่าขยาาับธาตุรู้เคยได้ยินใช่ไหมขยับธาตุรู้ท่านไม่ได้บอกให้เพ่งนะ พวกเราเกือบทั้งหมดไปนั่งเพ่งเอาหรือไปนั่งคิดเอาอ่ะมาท่านี้แล้วจะมาท่านี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือบางคนดูพองยุบนะชอพองยุบดูยกเท้าย่่งเท้าอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอ่ะหลักอันเดียวกันเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบใจเราเป็นคนดูเห็นใจใจของเรากระท้องมัก็ควรลานใจกับร่าง ก, กายคนละอานท้องพองกับท้องยุบมันกควรละอาะเห็ร น, นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อย ใจเป็นคนรู้คนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยๆนะจิตใจไม่เคยชินที่จะรู้การเคลื่อนไหวของกายต่อมาพอเราเฟลอเราเกิดไหวตัวให้มาแว บ, บเดียวนะสติจะเกิดเองเลยขอบคุณคิดมากหรือโลภมากล่ะ <c oughs> <c oughs> เอออะไรอะไรเด่นนะคิดมาก คิดมากก็ไม่ได้เหมาะกับการรู้กายเลยนะถ้าคุณคิดมากคุณไปรู้กายคุณจะนั่งเพ่งเหรอไปนั่งจ้องสลับลงไปจ้องพวกคิดมากให้รู้ใจไปจิตใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยรู้สึกไหมเนื้อวิธีหัดดูใจนะแรกๆเราดูช่วงเวลายาวๆก่อนเช่นวันนี้กับเมื่อวานนี้ความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันเลย หรือดูไกลๆออกไปแม้เมื่อเดือนก่อนกับเดือนนี้นะเดือนก่อนนี้สดใสเดือนนี้รู้สึกเหี่ยวเฉาดูแมหมห่างมากเลยนะหัดดูอย่างนี้ก่อนก็ได้ต่อมาก็ดูให้มันฉี่ขึ้นเช่นตอนเช้าเราก็รู้สึกอย่างหนึ่งตอนสายรู้สึกอย่างหนึ่งนะตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนหัวค่ําตอนดึกความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ละช่วงเวลานี้ยังดูเป็นช่วงเวลาอยู่นะต่อไปดูได้ละเอียดขึ้นเช่นอ้าเปลอแวบรู้สึกโกรธขึ้นมารู้สึก จะตีขึ้นมาเองมันจะเห็นเลยว่าแต่ละขณะแต่ละขณะ น, นี่ความรู้สึกก็ไม่เคยเหมือนกันเลยนี่ยหัดดูไปอย่างนี้นะแรกๆดูหยาบๆก่อนแล้วลืมตาไว้ลืมตาไว้หลับตาเดี๋ยวหลับจริงๆนะคุณเคยเห็นพระพุทธรูปองค์ไหนนั่งหลับตาไหมกระทั่งท่านั่งสมาธิยังลืมตาเลยนะไปดูให้ดี อันนั้นเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบอย่างลลกโลกนะจำเป็นก็ต้องทำํจำจําเป็นก็ต้องทําหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่รุนแรงสู้ไม่ไหวเดี๋ยวผิดศีลหลีกเลี่ยงซะหรือว่าถ้ากําลังของเราแก่กล้าขึ้นพอมันโกรธขึ้นมาเราไปโกรธน้อโกรนน้อแล้วหายโกรธได้อย่างนี้ทําสมถะแก้ด้วยสมถะนะอันนั้นแก้ด้วยการหนีไปซะหลีกเลี่ยงอารมณ์ นะหรือถ้าเราเก่งกว่านั้นอีกเราจเจริญปัญญาเราเห็นเลขความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเป่งของแปลกปลอมเข้ามานี้รู้ด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเครื่องมือเรามีหลายตัวเรามีความพร้อมที่จะใช้เครื่องมือไหนใช้นั้นแต่ถ้าพร้อมจะทําวิปัสสนาก็เอาวิปัสสนาไว้ก่อนนะถ้าวิปัสสนาไม่ไหวใช้สมถะไว้สมถะไม่ไหวก็แก้ปัญหาอยับโล ก, โลกเช่นมีศีลไว้ก่อนนะศีลจําเป็นนะทิ้งศีลไม่ได้แต่ละคนต้องมีศีลห้าไว้ นะคือเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากไว้ก่อนนะมือสองงานเท้าสองงานปากอีกหนึ่งงานนะเก็บไว้ก่อนนะเรียกว่ามีศีลห้าถัดจากนั้นก็ค่อยรู้ทันจิตใจของเราไว้เราจะเกิดศีลอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอินเสียสังวรศีลศีลตัวนี้ตัวจริงเลยอย่างศีลห้าข้อที่เราไปขอพระมานะถือได้กับร่องกับแง่งถือลําบากนี่ศีลลาบากแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจของเรา อย่างตาเห็นรูปความยินดียินไล่เกิดที่ใจมีสติรู้เนี่ยสี่เกิดขึ้นเองเลยอย่างเห็นเดินเดินไปคนเขาทามือถือตกเราเห็นอุ้ยรุ่นใหม่อยากได้อยากได้ใจรู้ว่าอยากได้รู้ทันใจตัวเองความอยากครอบงําใจไม่ได้ก็ไม่ เ, เอาของเขาเห็นไหมสี่ข้างนอกมันเกิดขึ้นเองเห็นเมียชาวบ้านสวยใจมันชอบเห็นมาราคาเกิดขึ้นรู้ทันราคาครอบงําใจไม่ได้ก็ไม่เป็นชู้กับเขา ถูกเขาดา่าใจมันโกรธรู้ทันว่าใจมันโกรธความโกรธก็ครอบงําใจไม่ได้มันก็ไม่ไปด่าเขาไม่ไปต่อยเขาศีลมันก็เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นศีลนะถือให้ถึงใจรักษาให้ถึงใจมีสติคุ้มครองใจไว้ศีลที่เกิดขึ้นเองแต่ว่าใช้เครื่องมือตัวไหนได้ใช้ตัวนั้นแหละสู้ไม่ได้ต้องหนีนะเวลาเราทํำสงครามไม่ใช่ว่าจะทําแบบผู้ชนะสิบทิศนันะลุยแหลกไม่ได้นะ บางขณาบางเวลาเขาต้องถอยเหมือนกันครูบาอาจารย์ยังถอยเลยบางครั้งท่านไปเจอสาวราคาเกิดขึ้นรุนแรงเอาไม่อยู่แล้วนะพิณาธาตุขันก็ไม่ลงนะเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ไหวแล้วพิณากายลงไปสุภะเนี่ยเป็นสมนถะพิณาก็ไม่ไหวอีกราคาแรงสู้ไม่ไหวก็รีบว่ากรดว่าบาดหนีไปเลย หนีไปตั้งหลักนะไม่ใช่ทําเก่งสู้อยู่ตัวนั้นตายเลยนะหรือบางคนเป็นนั่งภาวนาในป่าช้าตอนยังไม่มืดนก็เข้มแข็งพอมืดแล้วมันชักจะหวั่นไหวกลางคืนดึกๆกนี่เสียงอะไรต่ออะไรเยอะนะกลางคืนมันไม่ใช่เงียบอย่างที่เราคิดกลางคืนนี่มีเสียงกระทึสึกโรมนาๆนานานชนิดเลยประหลาดประหลาดยิ่งดึกยิ่งกลัว กลัวมากๆสติจะแตกแล้วไม่ต้องทำเก่งนะถอยถอยก็ได้เหมือนกันแต่อย่าวิ่งค่อยๆถอยให้ใหมันมีสง่าราศี <c oughs> ถ้าวิ่งแล้วก็สติแตกไปเลยนะยังไม่ใช่ว่าทําเก่งถอยไม่เป็นไม่ใช่ทหารก็ออกไปรบก็ยังต้องถอยเป็นเลยนะแต่เวลาสู้กับกิเลกก็ไม่ใช่อยู่แต่ในบังเกอร์นะ คนที่หลบอยู่แต่ในบังเกอร์ไม่ออกจากป้อไมออไม่ออกจากค่ายไม่ออกจากคูคือพวกที่ติดสมถนะนั่นเองวั น, ว, นวันหนึ่งก็หลบซ่อนอยู่ข้างในเงียบอยู่คนเดียวนะไม่ออกมารู้กายไม่ออกมารู้ใจอย่างนี้ไม่มีวันลบชนะหรอกงั้นเมื่อยิ่งจำเป็นเราก็พักในสมถนะเนี่ยมีกำลังเราก็รู้กายรู้ใจไป เรียนรู้ความจริงกายกระใจเขาเป็นยังไงเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาเป็นนัตตะนะรู้กายรู้ใจไม่ไหวถ้ารู้ใจได้รู้ใจเข้าไปเลยนะใจสำคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะถ้ารู้ใจไม่ไหวก็มารู้กายนะรู้กายไม่ไหวอีกยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ไหวหมั่วั่วไปหมดแล้วทำสมถะใะมมีแนวลบแนวรับหลายอันสมถะก็ไม่ไหวแล้วนะทาอะไรก็ได้ ที่ใช้อารมณ์ที่เป็นกุศลนะนะยกตัวอย่างจิตใจแหมมันวุ่นวายม โ, ซโซมโหโศโศหงุดหงิดไปหมดแล้วนะสมาก็ทําทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงนะหาหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วสบายใจมานั่งอ่านเนะีนะ่ยใจก็สบายหนังสือก็ไม่มีผ่านไปหน้าวัดเห็นเขามีวังมัดฉาอะไรนะซื้ออาหารเลี้ยงปลาโนะยนอาหารให้ปลาปลามากินอ้ดูแล้วมีความสุขเห็นไหม จิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่เยเจริญวิปัสสนาต่อได้ละวมันก็ต้องรู้จักนะนี่บางคนเครียดมากสติใกล้จะแตกแล้วทำอะไรก็ไม่ไหวแล้วนะชอบดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงไปก่อนดีกว่าบ้านะนเราต้องรู้จักแนวรุกแนวรับนะตั้งรับแต่ว่าต้องระมัดระวังการใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยต้องระมัดระวัง อย่างกิเลสแต่ละตัวความรุนแรงไม่เท่ากันอย่างใจเราซึมนะจิตมีโมหะซึมซึมซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรทั้งวันทั้งคืนหรือฟุง้งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะมีโมหะโมหะไม่ดนะีหาเรื่องทะเลาอะอ ก, กับใครสักคนดีกว่านะเพราะโทษาเนี่ยโทษมันน้อยกว่าโมหนะแต่ระวังข่าวนะ <laughs> อันนี้หมายถึงเป็นอุบายนะไม่ใช่หลักนะไม่ใช่กลับบ้านไปทะเลาะ ก, กับแม่บ้านบอกหลวงพ่อสอนไม่ได้นะนี่หมายถึงว่าแฉกวนตัวเต็มทีแล้วใกล้กจะสติแตกนะเพราะกิเลสแต่ละตัวเนี่ยโทษมันไม่เท่ากันบางทีก็ เ, เอาเขาเรียกเอาน้าบ่งน้ำแต่ที่ดีที่สุดก็คือรู้อย่างที่มันเป็นนะนะั่นปลอดภัยที่สุดไงคุณสันติ เมื่อกี้คุณธนาก็าเอาเนชั่นมาให้อ่านดีนะดีดีแล้วเชิญเชิญอะไรนะอะไรเอ่อ ใจของเราเใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ ใ, ชในเบื้องต้นนะมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยดูง่ายพรนะพุทธเจ้าเคยสอนบอกคนาศาสนาอื่นเขาก็เห็นนะว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี้ยมีแต่ในธรรมวิในคือาศาสนานี้เท่านั้นนะใจของเรายังไม่เลิกจิตอย่างพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิ คือละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราชื่อมันบอกแล้วว่าค ว, วามเห็นผิดไม่ใช่มีจริงนะตัวเราไม่ได้มีจริงมีแค่เห็นผิดว่ามีเรานี่ความชื่อมันก็บอกว่าเป็นความคิดเป็นความเห็นถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดโลกของความเห็นมาอยู่กับโลกของความรู้สึกนั้นไม่จะเห็นเลยว่ากายไม่ใช่เราเห็นชัดพันส่วนใจนี่ยังเห็นยากต้องคอยรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งถึงจะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา วันที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราวันนั้นสักยะทิฏฐิขาดนะเป็นพระโสดาบันวันนั้นแหละเพราะในขันธ์ห้าเนี่ยสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดนะก็คือจิตนั่นนหะของอื่นๆนยังรู้สึกว่าเป็นของเราได้รู้สึกไหมนี่มือของเราใช่ไหมมือของเราคนทั่วๆไปก็รู้สึกว่าทั้งตัวเนี่ยตัวเราแต่พอเป็นนักปฏิบัติขึ้นมามันจะรู้สึกว่านี่ร่างกายของเรา ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะรถสถานะเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราครอบครองอยูนะ่ส่วนจิตใจยังเป็นตัวเราอยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะวันหนึ่งก็เห็นว่าจิตไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราแต่เสร็จแล้วก็ยังยึดถือจิตอีกโอ้กิเลสมันมีหลายชั้นนะละความเห็นผิดเนี่ยขั้นหนึ่งละความยึดถือนี่ขั้นหนึ่งนะค่อยๆทําไปอย่าใจร้อนทนทนไหมนะขยันดูขยันรู้สึกไว้ พวกเราอย่าไปนึกว่าคารวะทําไม่ได้นะคารวะก็ปฏิบัติได้หลวงพ่อสมัยว่ายี่สิบสามกุมภาปีสองห้าเนี่ยครบวันนี้ปฏิเป๊ะเลยเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าวันนี้ยี่สามกุมภาเนี่ยไปกราบหลวงปู่ดูลเป็นครั้งแรกเลยไปถึงไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่ไม่ได้สอนอะไรมากเงียบๆหลับตาเงียบๆไปชั่วโมง พอลืมตาขึ้นมาสอนนิดเดียวอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองตอนเท่านี้จริงๆไม่ได้พูดยาวเป็นชั่วโมงเหมือนหลวงพ่อมาเล่าให้เราฟังท่านสอนบอกให้อ่านจิตตัวเองรู้สึกแม้มันน่าอ่านอย่างเลยทําไมเราเรียนวิชาอื่นๆตั้งเยอะแยะนะในทางโลกทําไมจิตใจของเราเราไม่เคยเรียนรู้รู้สึกว่าจิตใจของเราเป็นของน่าเรียนน่ารู้นี่ฉันท่ามันเกิดแั้ยมันอยากเรียนอยากรู้ ไม่ได้หวังผลนะถ้าหวังผลนี่คือตัณหาส่วนฉันท่าเนี่ยพอใจที่จะทําเหตุไม่หวังผลผลมันเกิดเองะพอรู้สึกว่าจิตใจเป็นของน่ารู้น่าดูทุกวันไม่ ต, ตื่นนอนเริ่มดูเลยเพราะมันสนใจที่จะดูไม่ได้ถูกบังคับให้ดูนะอย่างพวกเราบางคนขี้เกียจ ด, ดูก็บังคับตัวเองอ่ะจับเวลานั่งดูหนึ่งชั่วโมงพอหมดชั่วโมงก็ดีใจพ้นทุกข์พ้นร้อนสักทีไม่ได้กินนะนะอย่างนั้นกี่เลศเราไปกินหมดอนะ่ะ ตอนนั้นหลวงพ่อรับราชการอยู่สภาความมั่นคงในธรรมเนียบรัฐบาลโอ้ยงานเครียดนะงานยุ่งมากปีสองห้าจำได้ไหมใหม่นั้นอินโดจีนเพิ่งจะแตกเครียดมากเลยตอนเย็นนออกมายืนที่ระเบียงกันนะก็ใครการจองต้นมะขามกันเรารักษาบ้านรักษาเมืองไม่ได้นะค่าศึกบุกเข้ามาจะผูกคอตายต้นไหนดี ดูบ้านเมืองยุคนั้นเครียดสุดๆเลยนะสมัยป่าเปรมป่านี่ยอดมนุษย์จริงๆนี้เวลาปฏิบัติทํำยังไงหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนขึ้นมาเป็นข้าราชการเนี่ยพอตื่นนอนขึ้นมาวันนี้วันจันทร์ใจนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจกระทบความคิดว่าวันนี้วันจันทร์แใจแห้งแ้งเลยนะอีกวันนึงนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์แนตะมันชื่นฉ่าขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหม นใจกระทบความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันรู้ทันใจของตัวเองใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงใจชื่นฉ่ำรู้ว่าชื่นฉ่ำนี่เรียกว่าปฏิบัตินะหัดอย่างนี้เลยหัดดูจิตนะหัดดูจาของจริงในใจเราเลยะตื่นนอนขึ้นมานึกขึ้นได้วันจันทร์ใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงนึกได้ว่าวันศุกร์ใจิตใจชื่นฉ่ำรู้ว่าชื่นฉ่ำเอาเสร็จแล้วจะแห้งแรงหรือจะชื่นฉ่ำก็ต้องลุกขึ้นมาละมันวันทํางานใช่ไหม ไปอาบน้ำอาบน้ำในตุ่มสมมติว่าหน้าหนาวตามองเห็นตุ่มน้ำรู้สึกไงสดชื่นไหมตามมงเห็นตุ่มน้ำโอ้ใจมันสยองสยองรู้ว่าสยองเห็นไมตามองเห็นรูปความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันใจที่สยอง เ, อเสร็จแล้วไปทานข้าวสยองก็ไม่เท่ากันนะก่อนจะอาบเนี่ยสยองมาก ขันที่หนึ่งขันที่สองก็สยอกเยอะใช่ไหมขันท้ายๆสยองน้อยแล้วค่อยลดลงลดลงนะพออาบเสร็จเช็ดตัวแห้งๆตัวอุ่นๆแล้วมีความสุขแล้วนะใจเปลี่ยนอนะีกแล้วใจก็เปลี่ยนไปทานข้าวนะเจอของอร่อยแหมลิ้นกระทบรสอันนี้ของโปรดมันพอใจรู้ว่าพอใจนะเจอแต่ของไม่อร่อยเจอของไม่ชอบใจไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนี่ปฏิบัติอย่างนี้นะไนะม่คารวาะก็ทําทได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้ ออกจากบ้านจะไปทํางานนไปขึ้นรถเมย์เห็นคนเต็มป้ายรถเมย์เลยะถ้าสำนวนพระไตรบีดกบอกมีคนห้าร้อยคนที่ป้ายรถเมย์ถ้าเยอะๆเราบอกห้าร้อยถ้าเยอะกว่านี้มีคนแปดหมืนสี่พันที่ป้ายรถเมย์เยอะมากถ้าเยอะกว่านี้ก็ต้องเป็นอสศงไข่เห็นคนที่ป้ายรถเมย์เยอะๆแล้วสดชื่นไหมเห็นแล้วเซ็งเซ็งรู้ว่าเซ็งเลย รถเมย์มาขึ้นไม่ได้ชักกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายนะเห็นรถเมย์ว่างๆมาดีใจดีใจรู้ว่าดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดใครเคยเจอไหมรถเมย์ว่างมันไม่จอดเพราะว่ามันมันไม่จอดสิมันถึงว่างจอดเก่งมันก็ไม่ว่างสินะพอรถเมย์ว่างๆมาดีใจไม่จอดปุ๊บโมโหล้วนะแมมันจะไปรับพ่อมึอไงนะด่าด้วยนะของพ่อแต่ด่าดในใจนะนะ ใจมันโกรธรู้ว่าโกรธเห็นไหมไม่ได้เก็บโกดธนะโกรธรู้ว่าโกรธไม่ใช่ว่าห้ามโกรธนะไม่ใช่ว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงไม่ใช่มันโกรธรู้ว่าโกรธมันโลภรู้ว่าโลภหลงรู้ว่าหลงรูง้ไปอย่างที่มันเป็นเศร้ารู้ไปในที่สุดขึ้นรถเมย์ได้ดีใจนี้พอไปถึงที่ทํางานถึงเวลาทํางานตั้งใจทํางานไม่ใช่เวลาดูจิตเวลาที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดต้องไปคิดเรื่องงานนะคิดเรื่องงานให้รู้เรื่องมีสติ มีสมาธิในการทํางานแต่ทําไปทําไปแล้วขี้เกียจขี้เกียจไม่ใช่งานแล้วขี้เกียจมีสติรู้ว่ามันขี้เกียจแล้วไปไประชุมพรีเซนต์งานแหมคนก็คัดค้านเราเยอะเลยชักโมโหแล้วโมโหรู้ว่าโมโหแตพรีเซนต์งานไปคนเขาชมแตนะดีใจรู้ว่าดีใจเห็นไหมการปฏิบัติง่ายๆเข้ารู้เข้าดูอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จิตใจตัวเอง ลรา เ, าเวลาส่วนใหญ่ไปหลงหลๆไยไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันเพ้อๆไปใจลอยรู้จักใจลอยไหมเมื่อเมื่อใจลอยอะไรเงี้ยวันๆนึงเอาเวลาไปเหม่อนี่หลายชั่วโมงมากเลยเวลาแห่งความรู้สึกตัวแทบไม่มีแล้วจะมาบ่นว่าปฏิบัติหลายปีไม่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้นะเพราจริงๆไม่ค่อยได้ปฏิบัติหรอกจริงๆใจลอยเ้าคุณเสื้อแดงรู้สึกตัวหนีไปเที่ยวแล้วรู้สึกไว้ อา้าวเสื่อแดงฝ่ายหญิงนู้นอ่ะรู้จักใจลอยไหมเออดีที่รู้จักนะอย่าใจลอยนานหลวงพ่อไม่ห้ามนะใจลอยก็ได้แต่ใจลอยแล้วรีบรู้ให้ไหวๆหน่อยอย่าใจลอยทีละหลายชั่วโมงนะรู้ให้ไว ข, ขึ้นไว ข, ขึ้นไว ข, ขึ้นเราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติในสติเราเกิดเร็วขึ้นเผอสั้นลงสั้นลงอย่างนี้พอทําได้ไหม หลวงพ่อเคยสอนเด็กๆนะอวันนี้ไม่รู้มาเปล่ะบอกว่าเวลาอยากกินไอติรมรู้ไหมรู้บอกให้รู้ก่อนว่าใจมันอยากนะแล้วก็ค่อยกินไอติรมทีหลังอยากดูการ์ตูนไหมอยากเวลาอยากดูการ์ตูนรู้ไหมรู้บอกให้ให้ให้รู้ว่าอยากซะก่อนแล้วก็ดูการ์ตูนทีหลังเราอย่าไปหัดอะไรที่ฝืนธรรมชาติมากเด็กมันจะเกลียดศาสนานะเย่างอ้า ทุกวันถือไม่เลียวอันหนึ่งเต้าไว้เธอจะต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงเด็กมันจะต้องตั้งปณิธานเี้ยโตขึ้นไปมันจะห่างศาสน า, าให้มากๆเลยคนโบราณเขาดีนะคนโบราณอย่างหลวงพ่อนี่เขาเรียกว่ารุ่นโบราณปู่ย่าตายายพ า, าไปวัดปู่ย่าตายายไปวัดแล้วก็ไปฟังพระสวดมนต์ไปฟังพระเทศเลยนะเราไปเด็กเราไปวิ่งเล่นในวัด วิ่งเล่นเล่นถึงเวลาเพราะ็าเรียกมากินขนมโอ้รู้สึกดีแค่อยู่วัดมีขนมเยอะอะไรเงี้ยใจมันคุ้นเคยคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับพระนโะตขึ้นมาตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีความรู้สึกร้อนแรงธรรมชาติเลยรู้สึกศาสนานี่เรื่องหลอกลวงไร้สาระอะไรก็ว่าไปพอโตขึ้นมาเนี่ยใจมันหวนกลับเข้าไปหาศาสนาได้อีกนะเพราะว่ามันเคยคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กสิ่งที่ปลูกฝังตอนเด็กนี่สําคัญมากนะ โดยเฉพาะก่อนสี่ขวบนะอย่าคิดว่าเขาเล็กเกินไปนะพยายามพาไปให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆไวนะ้จะฝังใจมากเงินพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะไม่ได้บังคับอาตมาเลยนะแต่ว่าชวนยิ้วปินโตไปวัดด้วย ก, กันนะไปถึงแล้วก็ให้ไปวิ่งเล่นนะไปเล่นทรายไปก่อพระทร า, ายถึงเวลาก็เรียกไปกินขนมอะไรเงี้ย ก็มาไปกินขนมเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับผู้ใหญ่อะนั่งไปนั่งมันก็หลับฝั่งซาเทศต้องหลับนะผู้ใหญ่ก็บอกระวังนะเดี๋ยวชาติหน้าจะเกิดเป็นงูเหลือมโอ้กลัวเป็นงูเหลือมเนะี่ยต้องค่อยค่อยตื่นขึ้นมานะ ใ, ใจมันก็จะค่อยค่อยเคล้าเคลียอยู่กนะบธรรมะเด็กก็ฝึกได้แต่ต้องฝึกแบบเด็กเขาอยากกินขนม ให้เขารู้ความอยากเกิดขึ้นก่อนนะแล้วก็ค่อยให้กินขนมฝึกได้ไม่ใช่ไม่ได้นะเด็กบางคนคิดว่าต้องพาไปนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ดีก็ดีหรอกนะส่วนใหญ่จะพลิกไปเป็นมิจฉาสมาธินั่งเราเคลิมง อ, งงงงองแงก็แงกนะใช้ไม่ได้เราเคลิมแล้วก็ฝันฝันเราก็เรียกส ก, กู้เลยว่าเกิดนิมิต คอยรู้สึกตัวดีที่สุดดังนิดเดียวได้ได้อ่าอ่าไม่มีถือว่าคนคนเห็นเงาแวบไปสงสัยว่าคนมารู้ว่าสงสัยแล้วก็ค่อยไปเดินไปดูทีหลัง หรือเห็นแวบก็มากลัวรู้ว่ากลัวซะ ก, ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปดูสงสัยรู้ว่าสงสัยแม้ตามองเห็นใจรู้สึกสงสัยรู้ว่าสงสัยหลักที่อาตมาบอก น, นั่นเองเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความรู้สึกของเราชาวพุทธอย่าเชื่ออะไรเหนือธรรมชาตินะอย่ายงมงายนะพยายามรู้สึกตัวอยู่กับโลกของความเป็นจริง กายกับเรากายกับใจของเรานี่แหละความจริงรู้สึกไม้มอย่าเอาแต่คิดคิดฝันๆันวันวันหนึ่งนั่นคุณที่ใส่แว่นอ่ะอย่าใจลอยไปรู้สึกตัวไว้เอาวันนี้สมควรแก่เวลานะเชิญ